อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือหนึ่งอิหนึ่งพิกษุสําคัญว่าเป็นของของตน 2. ภิกษุถือเอาด้วยวิสาสะ 3. ภิกษุถือเอาเป็นของขอยืม 4. ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เปรดครอบครอง 5. ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่สัตว์ดิเรจชันครอบครอง 6. ภิกษุสําคัญว่าเป็นของบางสุกุลเจ ภิกษุวิกฤจริต 8. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน 9. ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา 10. ภิกษุต้นบัญญัติปถมพานวานในอธินาทานสิกขาบทจบ